ปฏิสัมันจารีอันทีว่างกายจะะสันติันตาปราชาชาติกาเจเสตุตังอนุตัมภิมัปัจันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสส พักวะโตอรหโตสมมาสมบุติทัตสานโมทัตสาพักวะโตอรหะโตสมมาสมบุติทัตสาสังขาระปรม u ดุขะติเตสังบุปสัมโมสุขะติติ ฟังแบบธรรมะป่ากันแล้วกันช่องเรามีระยะเวลาสั้นฟังยังไงจะได้ประโยชน์สูงสุดขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนาไปด้วยลึกเข้ามาย้อนเข้ามาน้อมเข้ามาที่ใจของเรามีหลวงปู่อุดมญาณโมรีเป็นประจักษ์พยานขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายนั้น เป็นทุกข์อย่างยิ่งสร้างฆ่าราปรามาดุขาขาคาว่าเป็นทุกข์ของสังขารนั้นพวกเราอาจจะเข้าใจว่าร่างกายเจ็บร่างกายป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคนนเป็นโรคนี้ปวดหัวตัวร้อนแท้ที่จริงร่างกายไม่ทนอยู่ในสภาพเดิม S <S <an> การที่สังขารไม่ทนอยู่ในสภาพเดิมนั่นแหละคือความทุกข์นี่เป็นความทุกข์ในอริยสัจคือความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ด้วยเหตุที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สังขารจึงเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังด้วยเหตุที่สังขารเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังสังขารจึงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็วนอยู่อย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นพูดตั้งใจพิจารณากำหนดจดจ่อให้เห็นสัจธรรมเห็นอนิจจังเท่ากับเห็นทุกขงังเห็นทุกขังก็เท่ากับเห็นอนิจจังเพราะภาวะของธรรมะอยู่ในฉากเดียวกันก็ว่าได้อนิจจังทุกขังไม่มีใครสามารถจะดัดแปลงได้บังคับให้เป็นไปนตามใจหวังก็ไม่ได้บรรดาทุกอย่างในโลก มนุษย์มีความสามารถบังคับให้เป็นไปตามใจหวังได้เหมือนอย่างวิทยาศาสตร์เขาเอานน้นมาปรับเอานี้มาปรับปรับไฟให้สว่างนีแต่งไฟให้สว่างแต่งลมเหมือนอย่างที่เรามีลมแต่งความเย็นบังคับน้าให้ขึ้นที่สูงปกติน้ำหลงไหลลงที่ต่ำแต่เขามีความสามารถบังคับขึ้นสูงที่สูงได้ สูงขึ้นดันขึ้นแต่หลักอนิจจังทุกขังนี้ไม่มีใครสามารถดัดแปลงได้ด้วยเหตุที่เราดัดแปลงให้เปลี่ยนไปตามใจหวังไม่ได้นี่เองพระพุทธเจ้าท่านชิงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาสับเบสังสับเบธรร ม, มาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา รวมไปถึงว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานอกจากสังขารเป็นอนิจจังแล้วเป็นทุกขังแล้วท่านมาขมวดว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาบางคนก็ไปตีร่วงไปถึงพระนิพพานเป็นอนัตตาด้วยแท้ที่จริงทําว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาในที่นี้หมายถึงธรรมะส่วนที่เป็นโลกิยะธรรมเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงธรรมะที่เป็นส่วนโลกุตระธรธรมเราตั้งใจพิจารณาให้เห็นสังขารเป็นอนิจจอย่างทุกขังอนัตตาแล้วเหตุไฉนธรรมทั้งหลายทั้งปวงจึงเป็นอนัตตารวมไปถึงพระนิพพานด้วยให้เราเข้าใจแค่เพียงธรรมะที่เป็นส่วนโลกิยาธรรมเท่านั้นสัพเพธรมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา ในใจของเราของท่านทุกคนนั้นมีอิสระเสรีที่จะนึกจะคิดตามใจชอบถ้าหากเราปล่อยให้จิตของเรานึกคิดตามใจชอบของตัณหาผลักดันออกมาด้วยแล้วตัณหาคิดเข้าเข้าตัวเองหมดเพราะเมื่อตัณหาเกิดขึ้นในหัวใจของเราแล้วอัตตาตัว ต, วตวนมันก็โผล่ขึ้นมา ตัวตนก็คือสําคัญว่าเป็นตนยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนสัณหามันพายึดว่าเป็นตัวเป็นตนเช่นอย่างร่างกายของเราว่าเป็นตัวเป็นตนจิตนึกว่าเป็นตัวเป็นตนคิดว่าจะบังคับบัญชาเขาวได้ไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้เราดูความสามารถของใจเราเกี่ยวกับร่างกายของเราสามารถบังคับบัญชา ให้อยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนได้เท่านั้นเองบังคับบัญชาให้อยู่เท่าเดิมบังคับไม่ได้ไม่ให้ร่างกายเปลี่ยนไปบังคับไม่ได้เหมือนอย่างวัยทุกคนต้องเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาวัยของเรานี่เปลี่ยนมาเรื่อยๆตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่เราไปอุบัติในท้องแม่จากธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ประกอบกันในท้องแม่ ก้อนสังขารก้อนใสๆนั้นไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเราย้อนระลึกไปในท้องแม่ของเราเราเกิดขึ้นด้วยน้ำใสๆจากธาตุของพ่อธาตุของแม่ประกอบกันในท้องแม่จากนั้นเปลี่ยนสภาพตัวเองมาเรื่อยไม่เคยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนเป็นน้ำข้นๆเปลี่ยนเป็นเลือดข้นๆเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจสาขา มีหัวมีแขนมีลาตัวมีขาครบอวัยวะสามสิบสองเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนคลอดออกมาไม่เคยอยู่เท่าเดิมแต่ใจของเรานั้นน่ะต้องการให้สังขารอยู่เท่าเดิมไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายความปรารถนาของใจตามอํานาจของตันหากับความเป็นไปของร่างกาย มันคนละเหตุคนละปัจจัยมันเป็นหินหักต่อกันไม่ได้ภาวะของร่างกายก็เป็นไปตามภาวะของร่างกายภาวะความชอบใจของตัญหาในหัวใจก็เป็นไปตามภาวะของความชอบใจถ้าเราพิจารณาแบบผู้มีปัญญาดูเห็นแล้วหน้าอับอายหน้าขัน เพราะมันเป็นเรื่องที่คนละเหตุคนละปัจจัยจริงๆเราดูแต่ว่าเราสามารถบังคับบัญชาร่างกายของเราไม่ให้แก่ได้ไหมบังคับไม่ได้ร่างกายเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยของร่างกายพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสว่าประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟถึงแม้ ว, ว่าจิตใจจะมาเกี่ยวข้องมาผูกพัน แท้ที่จริงร่างกายก็เป็นผลผลของใจเป็นผลผลของตัณหาแต่ก็สามารถบังคับได้แค่อิริยาบดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเท่านั้นเองบังคับไม่ให้ไวเปลี่ยนไปบังคับไว้ได้เหมือนอย่างเราดูไปในท้องแม่เรารู้ว่าภาวะอ น, นั้นไม่เคยอยู่เท่าเดิมเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี่แหละคือภาวะที่ไม่มีใครสามารถบังคับบัญช้เป็นไปตามใจหวังได้ บังคับไม่ให้แก่บังคับไม่ให้เจ็บบังคับไม่ให้ตายมีความนึกคิดว่าบังคับไม่ให้แก่แต่ร่างกายต้องแก่มันไม่เป็นไปตามใจหวังทุกบังคับไม่ให้เจ็บร่างกายต้องเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนเป็นโรคเบาหวานไข้หวัดชรพัดเป็นมะเร็งเป็นความดันเป็นสารพัดที่มันจะเป็นพอรู้ว่านั้นมาเกาะรู้ว่านี้มาเกาะ ความทุกข์ก็เกิดขึ้นในหัวใจเพราะอะไรเพราะผิดหวังมันไม่เป็นไปนตามใจหวังในที่สุดร่างกายต้องตายต้องดิ้นเจ็บปวดถึงขั้นตายถึงต้องได้ตายทุกข์เพิ่มเข้าไปอีกตัวเองเป็นก็เป็นทุกข์คนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็เป็นทุกข์เช่นอย่างสามีเกี่ยวข้องกับภรรยาภรรยาเกี่ยวข้องกับสามีและเราเกี่ยวข้องกับพ่อเกี่ยวข้องกับแม่เกี่ยวข้องกับลูกกับเต้ากับคนใกล้คิดกับคนที่เราเคารพ กับคนที่เรารักกับคนที่เรานับถือเรามีความรักมีความเคารพมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับใครมากน้อยเท่าไหร่ด้วยความหวังที่เราหวังแบบไม่มีเหตุปัจจัยผูกพันถึงกันเลยนั้นไม่พ้นที่เราจะประสบความทุกข์อยู่หนึ่งเนืองเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ การที่เราจะสงบระงับดับสังขารเหล่านี้ได้เป็นสุขอย่างยิ่งเตสร้างวุปสโมโอสุขโขการสงบระงับดับสังขารขั้นพื้นพื้นเราทําใจให้สงบไม่ให้ใจของเรานึกคิดปรุงเรื่อยเปื่อยไปตามอํานาจของกิเลสตัณหามาพาปรุงพานึกพาคิดอยู่กับบทอยู่กับอารมณ์ของธรรมปรุงสิ่งที่เป็นธรรมระงับสังขารส่วนที่เป็นที่เป็นทุกข์เป็นโทษตามอํานาจของตัณหา ทำให้ใจของเราได้รับความสงบระงับสังขารขั้นนี้ได้เราก็มีความสุขอย่างหนึ่งระงับสังขารที่เป็นไปตามความอยากของอำนาจตันหาได้พิจารณาเห็นความแก่ความเจ็บและความตายว่าเป็นภาวะที่เหตุที่ปัจจัยเป็นไปเป็นไปอย่างนั้นเองเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้มันก็เป็นการระงับ ดับสังขารที่เป็นเหตุปรุงให้เกิดมิจฉาทิฐิเกิดความนึกเกิดความคิดในทางที่ผิดทำให้เราประสบความสุขได้เราระงับดับตัณหาซึ่งเป็นเจ้าเป็นจอมของกองสังขารทั้งปวงได้ถึงบรมสุขที่เขเรียกว่าประมังสุขังประมังสุขขั ง, ง, ขขงเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตั้งใจประพฤติปฏิบัติ จนได้บรรลุพระสัมมาสัมพธิยานพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกท่านตั้งใจปฏิบัติจนกิเลดหมดจดไปจากขันธสันดานรู้เท่าทันความเป็นไปของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นไม่ยึดไม่ถือไม่ปล่อยให้ตัณหาโลภคลั่ในเมื่อตัณหาเกิดไม่ได้อุปาทานก็เกิดไม่ได้เมื่ออุปาทานเกิดไม่ได้ภพก็เกิดไม่ได้ ชาติที่จะไปเกิดในภพก็เกิดไม่ได้เราไม่ต้องไปพูดถึงว่าเราจะต้องมาเจ็บมาป่วยมาไข้แล้วก็มาโศกปริเทวะแล้วก็ตายไปในที่สุดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็ดับหมดเพราะฉะนั้นท่านจึงมีข้อปฏิบัติสินสมาธิปัญญาให้เราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักของศินตามหลักของสมาธิตามหลักของปัญญาสุปลงแล้วก็คือ ต้องมาต่อกรต้องมาต่อสู้กับเจ้าตัญหาที่มีอยู่ในหัวใจของเราเจ้าตัญหาพายเราหลงเจ้าตัญหาทำให้เรามีอวิชชามหาห่อหุ้มหัวใจของเราทาให้เราเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความรุ่มหลงเกิดราคะเกิดตัญหาตามมาล้วนแต่เป็นพิษภัยอันเกิดมาจากเจ้าจากจอมของตัญหาทั้งนั้นทำใหเ้เราได้รับความทุกข์ทำให้เราได้รับโทษถึงขนาดนี้ระดับนี้ เราตั้งใจจะปฏิบัติเพื่อระงับดับสังขารที่ท่านใช้คำว่าเตสร้างวูปสโมสุขโขการเข้าไประงับดับสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุขอย่างยิ่งต้องมาเรียนหลักวิชาเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเพราะฉะนั้นเราตั้งใจสมาทานศีลห้าก็ตามศีลแปดก็ตามศีลสิบศีลสองรอยี่สบเจ็ดก็ตามแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นถือว่าเป็นการต่อกอนกันกันกบกิเลสแล้ว มันเป็นการรู้เท่าทันความเป็นไปของตัณหาในหัวใจเริ่มรู้เท่าทันเริ่มลดเริ่มละเริ่มปล่อยเริ่มวางตัณหาดีดยิ่นอยู่ในหัวใจมาดีดดิ้นที่กายไม่ได้ที่วายใจไม่ได้ดีดยื่นที่ใจท่านสอนให้เราเภาวนาให้ใจได้รับความสงบจิตสงบอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวซึ่งเป็นอารมณ์ธรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเมื่อเราตั้งอกตั้งใจทํางาน ผลรายได้เป็นวิบากตกผลึกเป็นธรรมผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมถ้าเราไม่อยู่ในช่าทีที่เราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธกิเลสมันก็ทํางานที่สันติวัชกิเลสการที่จิตทํางานตามกิเลสมันก็เป็นกรรมผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากในอาชินกรรมของเราเราปล่อยให้จิตของเรากิเลสกรรมวิบากหรือเราปล่อยให้ทํากรรมวิบาก วันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งรอนถ้าเราปล่อยให้จิตของเราปรุงแต่เรื่องกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากวันคืนลงไปมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่ถ้าหากเราอยู่ในท่าทีที่เราต่อสู้สิลของเราก็ตั้งใจรักษาแล้วทำเราก็ต้องใจภาวนาภาวนาให้ใจได้รับความสงบเราพูดอย่างนี้เราเห็นความสําคัญของความสงบที่หัวใจของเราเราตั้งใจภาวนาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราทํา ทุกรียบทยืนเออนนั่งนอนเราทำได้เราตั้งหลักอันนี้เอาไว้ถึงแม้ว่าจะหย่อนยานลงไปบ้างมันก็เป็นความเป็นความไม่ประมาทผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมทำกรรมวิบากทำกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมจิตของเราไม่เคยได้รับความสงบในเมื่อเราตั้งอกตั้งใจภาวนาไปเรื่อยจิตของเราก็จะเริ่มสงบ คาว่าสงบหมายความว่าจิตสงบระงับดับสังขารที่ไปก่อกวัในหัวใจทำให้ใจสงบระงับมีความสุขมีความชุ่มเย็นเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ในหัวใจนี่คืออำนาจของความสงบเราใช้หลักพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นด้วยแล้วจนสามารถรู้เท่าทันความเป็นไปของสังขาร รู้ความเป็นไปของกายรู้ความเป็นไปความเป็นมาของกายรู้ความเป็นไปความเป็นมาของใจรู้ความเป็นไปเป็นมาของรูปธรรมของนามธรรมเราก็จะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเริ่มรู้จักปล่อยเริ่มรู้จักวางเริ่มรู้จักจิตของเราเริ่มรู้จักกิเลสในหัวใจของเราเริ่มรู้จักนำข้อปฏิบัติไปกากับที่จิตของเราให้จิตของเราได้รับความสงบ เอาจิตที่สงบที่มีกำลังที่มีพลังนี้มาพิจารณาเกิดปัญญาคำว่าเกิดปัญญาก็คือจิตที่สงบนั้นจิตมีพลังมีสติสว่างรูอยู่ในหัวใจจะมาตั้งใจกำหนดให้เห็นอนิจจังเห็นทุกขงังมันก็พอจะเริ่มเห็นเพราะหลักอนิจจังทุกขังนี้เป็นหลักสักจธรรมเราเห็นพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญของกองสังขาร ยกกองสังขารมาเป็นหลักเป็นประธานในการมัเทศนามาบอกมาสอนให้เราเห็นทุกเห็นโทษของกองสังขารเพราะฉะนั้นเรามีภกมีชาติที่ไหนกองสังขารไปโผล่ที่ไหนกองทุกข์ก็มีที่นั่นภพชาติไปโผล่ที่ไหนกองสังขาร ก, ก็ไปโผล่ที่นั่นกองสังขารโผล่ที่ไหนทุกข์ก็โผล่ที่นั่นเพราะขึ้นชื่อว่าสังขารสังขาราปรมาทุกขา สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งเป็นทุกข์โดยที่อยู่ไม่อยู่ในสภาพเดิมต้องเปลี่ยนไปด้วยและเป็นทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความเจ็บแข่ใดป่วยด้วยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์กายด้วยทุกข์ใจด้วยนี่คือความเป็นไปของร่างกายความเป็นไปของจิตใจตามอํานาจที่เรามองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นถ้าเรามองเห็นแล้วเราก็ปล่อยเรามองเห็นเราก็ปล่อยที่เป็นรูปธรรมเราก็ปล่อย มองเห็นเรื่องของนามธรรมเราก็ปล่อยตัวทำงานคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาสามารถทำงานอยู่สามารถดูอยู่สามารถปลงอยู่สามารถพิจารณาอยู่สามารถปล่อยอยู่การเข้าไปรู้เข้าไปเห็นสังขารเหล่านี้ตามภาวะที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นเป็นภยัยจิตก็ถอนเข้ามาถอนเข้ามาถอนเข้ามาจนเหลือจิตหนึ่งเดียว ไม่เกี่ยวกับสังขารทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกท่านศึกษาตรงนี้จนชำนิชำนาญจนช่ำชองจนคล่องแคล่วสามารถเห็นช่องเห็นทางสามารถปลดเปลื้องสามารถลดละและก็ปล่อยวางเข้าไปรู้ไปเห็นสิ่งที่มีอยู่จริงเกิดอยู่จริงได้แล้วสามารถระงับดับสังขารได้ความสงบ ระงับดับสังขารเหล่านี้ได้เป็นสุอย่างยิ่งการเข้ามาสงบระงับดับสังขารเหล่านี้ได้เป็นสุขอย่างยิ่งเตสร้างวูปะสโมสุขโขวันนี้พวกเรามาประกอบบำเพ็ญกุศลถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่อุดมยา น, นโมลีเนื่องในวันกำหนดครบหนึ่งร้อยวัน โดยปกติเราก็บำเพ็ญมาโดยตลอดมีการสวดแต่ละวันแต่ละวันไม่รู้กี่รอบตั้งกี่รอบคนนั้นก็นมาบำเพ็ญและก็ทิศบูชาบุญถวายหลวงปู่แท้ที่จริงบุญกุศลก็เกิดขึ้นในหัวใจของเรานั่นเองแม้คราวนี้ก็เหมือนกันพราะถึงคราวร้อยวันซึ่งเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีที่เราต้องทาบุญเพื่อทิศถวายบุญเพื่อบูชาคุณของท่าน พวกเราผู้หลักผู้ใหญ่นับตั้งแต่อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัจจุบันท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านจำไม่ได้ที่มาประกอบกองการกรุศลในครั้งนี้พวกเราก็ตั้งบาเพ็ญเพื่อเอาบุญเอากุศลเข้าสู่หัวใจของเราและอธิษฐานบุญกุศลส่วนนี้บูชาบุญคุณของลุงปู่พระอุดมญาณโมลี ท่านเป็นรัตน์ยู่อายุหนึ่งร้ยห้าปีอย่างน้อยปราถนาอ้ยมีความสุขมีอายุมั่นขวัญยืนเหมือนอย่างหลวงปู่ประสิทธจากความทุกข์ความประสิธจากความเจ็บความป่วยไข้เพื่อเราจะได้ประกอบคุณงามความดีไปมากๆด้วยอานิสงส์ที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจมาประกอบในครั้งนี้ขอบุญอานิสงส์ทั้งหลายเหล่านี้ จงตามอำหนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญตั้งใจปฏิบัติธรรมขอให้ได้อัดได้ทมโดยทั่วหน้ากันวังเหลี่ยมจะตะลืบ